สารเทวิยสารีติสารดัมหังนมามิหังรัมมาตาห์วิยสัตดัมเมรัมมาเปตีสสาวะกังรัเมธาเนวสาเป็นตังรณหันตังนมามิหัง ทิโต้ยวรนิพาานีทิเรทาเนสสาวเกทิรังทานังปกาเสตีทิตังดำเมนมหามิหังสัตตมังเทสยิตวานาสันตงนิพพานาปปะกัง สสาวกังมหายตังสันตจิตตังนามิหังทานังนิพพานสังาตังทาเมนาธิคโตมุนีทาเนสขาสิเวสตเตทาเป็นตังตะังนมามิหังเทนโตโยสักนิพพานานัง เดวามโนสปานินางเทนตังดัมมาวรังธานังเทวเสตทังนมามิหังวันตราคังวันตะโทสังวันตโมหังอนาสวังวันที่ตังเดวะพระเมหิวรังพุทังนมามิหัง พระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์ใดโปรดประทานทำ ม, มันเป็นแก่นสารแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ยังสัตว์ทั้งหลายให้แล่นไปสู่ทางแห่งอมตะกล่าวคือพระนิพพานดังสารถียังไม้ให้แล่นไปสู่ทางที่ประเสริฐฉะนั้นข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์นั้นผู้มีธรรมมันเป็นสาระลิพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ใดทรงยินดีในอริยสัต จะทำทั้งหลายทรงยังสาวกของพระ อ, องค์ให้ยินดีด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์นั้นผู้ยังให้สาวกอยู่ในฐานะอันน่ายินดีผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสได้หมดสิ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระ อ, องค์ใดพร้อมทั้งสาวกของพระ อ, องค์ทรงตั้งอยู่แล้วในฐานะอันมั่นคงคือพระนิพพาน ทรงประกาศซึ่งฐานะอันมั่นคงคือพระนิพพานนั้นให้แก่สัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสาวกของพระองค์ผู้ทรงสแสดงพระสัตธรรมอันให้ถึงพระนิพพานอันสงบระงรับแล้วเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นสงบระงรับ พระมหาหมุนีพระองค์ใดได้ทรงบรรลุฐานะกล่าวคือพระนิพพานด้วยกําลังแห่งความเพียรข้าพเจ้าขอน่อบน้อมกราบไหว้พระมหาหมุนีพระองค์นั้นผู้ยังสัตว์ให้ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นสวรรค์และสูงสุดคือพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงประทานสมบัติคือสวรรค์และพระนิพพานให้แก่หมู่สัตย์ ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทพใหญ่ประธานทำอันประเสริฐข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าผู้คลายราคะความกำหนัดได้แล้วคลายโทสะความโกรธได้แล้วคลายโมหะคือความมืดบอดได้แล้วหาอาสะวะมิได้ อันเทวดาและพรหมทั้งหลายกราบไหว้แล้วเป็นนิดขอความเจริญในธรรมจงมีแดค่คณะครูโรงเรียนบรรจงรักทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเนาะในการที่เราจะร่วมกันในการอยู่ร่วมกันในกิจกรรมการอบรมเนี่นะต่อไปกิจกรรมตรงนี้ก็หมดนะก็หมด ไม่รู้ลมหายใจมันจะยังเหลือมีการจัดกิจกรรมกันอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไมทั้งผู้ฟังและผู้พูดในที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ดีอยู่อย่างเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายอันนี้คือความไม่น่าชอบใจทั้งทิ้ ง, ท, งทั้งทั้งที่เราท่านทั้งหลายวเวลามาเจอหน้ากันแล้วก็ปรารถนาอยากจะให้ทุกคนมีความสุขมีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรง มีอัธยาศัยที่น้อมไปในคุณความดีตั้งมั่นอยู่ในความความดีแต่ยอมเชื่อไหมว่าบางครั้งเราก็รับข้อมูลอะไรที่ผิดผิดถูกใส่ข้อมูลอะไรมาก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดที่สุดจริงๆไอ้ตัวข้อมูลที่ผิดผิ ด, ผดไอ้ทิฐิที่มันตั้งไว้ไม่ถูกที่แหละมันกลายเป็นตัวกัน้นเป็นกลายเป็นตัวกัน้นกับกลายเป็นปฏิเสธพระผู้มีภาคเจ้าซะเอง อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเนะ่เชื่อไหมว่าเราบางครั้งเราก็ไม่อยากจะไปต่อต้านพระธรรมคำสอนของพระศ า, าสดาเลยเพราะต้านไปแล้วก็ต้านไม่อยู่เพราะที่สุดจริงๆมนุษย์นั้นก็ไปจนกับเหตุและผลอย่างแท้จริงั่อพระพระเจ้าแต่อะไรหนอเป็นเหตุทำให้เราเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้ไหมว่าอะไรความเห็นที่มันไม่ตรง ถามว่าความเห็นที่มันไม่ตรงนินมาจากอะไรเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากการคิดที่ไม่ถูกใช่ไหมล่ะอย่าลืมนะว่าการที่เราครบคนที่ให้ข้อมูลเราผิดมาอย่างยาวไกลมันจึงเป็นความวิบัติเสียหายอย่างมากเลยนะไอการที่เราอยู่ในแวดลงแวดวงหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นผิดแล้วเราก็มีตัว ความไม่ฉลาดคิดเนี่ยไม่คิดโดยแยบคายไม่คิดให้ถูกทางไม่คิดสาวหาเหตุปัจจัยและไม่ไม่สามารถคิดปุกเร้าความดีงามไม่เกิดขึ้นในใจได้เนี่ยไอสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหตุทำให้เราเห็นผิดพอความเห็นผิดมันรุนแรงใ น, ในใจของท่านผู้ใดดํามิีออกมามันก็ดํารีผิดดํามิย่ยังไง ดั่มหลีเบียดเบียนบ้างดํ่มหลีไปทางกําหนัดยินดีเพื่อเพลินบ้างดํ่มหลีในการที่จะโกรธพยาบาทเป็นต้นบ้างพอดั่มหลิผิดไอ้วาจาที่กล่าวออมามันก็ผิดมันก็กลายเป็นวาจาที่พูดเท็จสอเสียดและคําหยาบระเพรืเจอือการกระทําก็ผิดอีกมันก็เป็นไปกับการฆ่าการลาักการประพฤติผิดในกามไอ้เพียนมาก็เพียนผิดอีกแทนที่จะเพียนที่ได้กุศลกับเพียรในการที่จะทําบาปไม่เกิดขึ้น อสติที่ระลึกไว้ก็เป็นวิชาสติระลึอกอะไรก็ฝังใจอยู่ในเรื่องผิดๆเนี่ยเนื้อสมาธิเวลาตั้งมั่นก็ตั้งมั่นแบบผิดๆนั่นแหละเชื่ออะไรก็เชื่อแบบผิดๆบอกโอ้เป็นเรื่องที่น่ากลวงยิงถามว่าสิ่งต่างๆตรงนี้ที่ในกรมวลเน็ที่ในกระแสะจิตใจของสัตว์โลกทาให้เราต้านใครต้านพระธรรมของพระาศาสดาสิใช่ไหมลองนึกถึงตั้งแต่วันแรกเย็นวันนี้ที่เราจะเห็นชัดเลยเนะ บางทีไอ้จิตต้านกลายเป็นคนต้านเสียประโยชน์ซะเองใช่ไหมแทนที่จะได้สิ่งดีๆงามๆกลับไม่ได้แต่เราทิ้งไปเฉยเลยพอทำท่าจะมาตั้งหลักเอาหมดเวลาซะแล้วแต่เนี้ยเลยไม่ทันได้เลยเคยเป็นไหมล่ะเห็นไหมเออน่าเจ็บใจจริงๆบางทีมันน่าจะเปิดแต่วันแรกใช่ไหมมาเปิดวันสุดท้ายเนี่ยไอ้ความรู้สึกดีๆนั่นมาเปิดวันสุดท้ายเนี่ยเสียหายเลยแต่เนี้ย พอเปิดได้แวบเดียวน่ยเขาล้วก็ถูกอะไรทับผมก็ลืมไปแล้วแต่เนี่ยนะเมื่อวานนี้ก็พูดในเรื่องของเมตตาแล้วก็พูดในเรื่องของการใช้นีการเอามาเดินให้ให้เดินให้ใช้ได้จริงในชีวิตจริงก็ถามว่าสภาพของเมตตาเนี่ยเป็นธรรมะหรือเป็นสภาวะที่ทำได้ง่ายหรือทำได้ยากเมตตานี่ททำได้ง่ายหรือทำได้ยาก เมตตาเนี่ยนะให้สังเกตตัวนะว่าสภาวะที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อวานเนี่ยเห็นได้ชัดก็คือว่าตัวเหตุที่จะทำให้เมตตาเกิดจริงๆเนี่ยคือการทำไว้ในใจโดยอุบายที่แยบคายเนี่ยเป็นเหตุใกล้ชิดผู้ที่มีปัญญาได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเท่านั้นแหละถึงจะใช้เมตตาได้ถูกเมตตาไม่ใช่มีโมหะนะเป็นตัวนำนะจะมีปัญญานะ เมื่อประสบเห็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าปราถนาที่จะไปเหตุให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วก็เพราะอะไรก็เพราะว่าการกระทำต่ออารมณ์นั้นโดยแยบคายคือคิดถูกนั่นเองเพราะคิดถูกจึงไม่มีอาการโกรธจึงไม่มีอาการขัดใจและขัดเคืองในสิ่งนั้นนั้นโดยพิจารณาเนียวิธีพิจารณาก็คือว่าก็ อ, าอย่าลืมนะถามว่าคนที่เขาเจริญพรหมวิหารธรรมเนี่ยเขาปล่อยป่าละเลยมย คนที่เขามีเมตตาเนี่ยเขาปล่อยป่าละเลยหรือไม่ปล่อยเขาไม่ได้ปล่อยป่าละเลยนะถ้าปล่อยป่าละเลยเขาเรียกว่าเมตตาหรือเปล่าเสียงอะไรอ๋อนึกว่าเสียงระครังหมดยศโดยการพิจารณาถึงพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นต้นเนะี่ะทีนี้เคยเป็นญาติกันมาฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นเนี้ยจึงควรที่จะอนุอเคราะห์เพื่อกูลซึ่งกันและกันนะ ถึงจะดีกว่าเนี่ยหรือพิจารณาว่าโทสะที่เกิดขึ้นนั้นมีแต่จะให้โทษทําให้จิตเร่าร้อนโทสะเกิดขึ้นมาจิตเร่าร้อนจิตกระวนกระวายไหมเวะลาโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเหตุให้ตนเอง่ะต้องไปเกิดในอบายไหมต้องไปเกิดในบายทุกขติวินิบาตในโลกเมื่อคิดอย่างนี้แล้วโทสะเนี่ยในความโกรธเนี่ยพอพิจารณาอย่างนี้ให้สังเกตเลยณะโกรธแล้วลองเตือนตัวเองดิอา้าโกรธไป เนี่ยเดี๋ยวก็วิบัติเออโกรธไปเยอะๆเออเดี๋ยวก็วิบัติเนี่ยเนี่ยจะวิบัติแล้วเนี่ยทั้งตนเองก็จะวิบัติและสิ่งแวดล้อมก็จะวิบัติแตเพาะไอ้โทสะนี่แหละเอ้าจัดการเลยให้มันเกิดออกมากเกิดต้องมามันเกิดไหมทะโยงงี้มันเกิดไหมไม่เกิดรอมันกลัวโทาสารนคนขี้กลัวอย่างหนึ่งนะคนที่มีเมตตาเนี่ยเขาจะมีโทสะเออเขาจะมีขันติคือความอดทนต่อเหตุที่ทําให้เจ็บใจย่อมเกิดขึ้นโดย โดยอาศัยอะไรขันติคือความอดทนต่อเหตุที่ทําให้เจ็บใจอะไรทําให้เจ็บใจโทสะแต่ถ้าขันติเกิดขึ้นมาก็ไอ้โทสะดับไหม อ, อือโทสะมันก็ดับตรงนี้เราก็มองถือว่าไ อ, อ้สภาพของความไม่โกรธนี่เป็นสิ่งที่ดีนี่วิธีพิจรนารณาเนะพิจรารณากระทบไปถึงความโลภเลยนะเดี๋ยวต่อไป เพราะความโลภเป็นอันตรมันเป็นค่าสึกใกล้ของเมตตาเพรา ะ, จะเจริญเมตตาบางครั้งเป็นโลภะต้องระวังถามว่าความไม่โลภเนี่ยมันเป็นค่าสึกมันเป็นปฏิปักษ์มันตรงกันข้ามกับความตนหนีใช่ไหมคนโลภเนี่ยก็คือคนตนหนีใช่ไหมไม่กล้าสละแต่ถ้าไม่โลภมันกล้าสละทีนี้เมตตานี่ล่ะ หรือโออาจโท่สาหรือความไม่โกรธเนี่ยมันเป็นปฏิปักษต่อผู้ทุศีลถามว่าเวลาเมตตาเกิดขึ้นศีนเกิดไหมเมตตาเกิดศีลจะเกิดถ้าโธ่สาเกิดศีนเกิดไหมโดยมากคนละเมิดศีนทั้งหลายน่ะกายไม่สะอาดวาจาไม่สะอาดทั้งหลายก็เพราะโท่สาเนั่นแหละฉะนั้น เมตตาจึงเป็นเหตุแห่งการรักษาศีลหรือเป็นเหตุแห่งการไม่รักษาศีลเห็นไหมเมตตาเนี่ยแหละเป็นเหตุแห่งการรักษาศีลทีนี้ย่อมเป็นเหตุให้ถือเอาโดยไม่บกพร่องแล้วก็ย่อมทรงจําคุณที่มีอยู่ด้วยความเป็นคุณได้ด้วยยกตัวอย่างนะคนที่มีเมตตาคนที่มีความไม่โกรธเนี่ยก็สามารถจําคุณด้วยความที่เป็นคุณจริงๆ คือสามารถไปเจาะถึงคุณของคนได้เข้าใจคนจริงๆเลยนะไม่ใช่ไปชมเขาลอยๆอย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าคนที่มีเมตตาก็มีปัญญาเจาะเห็นความดีเขาลึกยกตัวอย่างเช่นยมไม่ดีเลยแล้วก็ไม่ได้เห็นความดีของยมเลยนะของครูเลยนะแต่ได้ความที่อยากจะพูดแล้วให้ยมมารักเราเนี่ยมารักมารักอามาเนี่ยอามาก็เลยเจาะลักเลย โอ้ยครูโรงเรียนมันจงรักน่ารักทุกคนเลยว่าจ้าก็เรียบร้อยแต่ไม่ได้ไปเห็นความดีตรงนั้นจริงๆนะพูดไปโดยหวังอะไรหวังว่าเขาจะรักเราเขาจะเชื่อฟังเราเขาจะเคารพเราพูดอย่างนี้เป็นเมตตาไหมเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นโอ้โหทางนั้นพวกแสดงลิเกละครเนะี่ยใช่ไหมขอกราบ ง, งามบนตักพ่อแม่พี่น้องที่เคารพ อันนี้เป็นเมตตาไหมล่ะไม่เป็นอย่างนี้เขาเรียกพวกอ้อนอซอเ <c oughs> ขาใจยังจำไว้ล่ะพอเจอลูกก็โอยลูกกลัวลูกไม่รักไงเป็นเมตตาที่ไหนล่ะลูกแม่รักลูกมากๆทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เห็นรักมากเลยอยากให้ลูกรักเราเนี่ยไงเคยเป็นไหมล่ะฉะนั้นเมตตากับราคะเนี่ยมันเจาะถึงความจริงต่างกัน ทำเมตามันจะมีตัวปัญญาด้วยนะเข้าไปเจาะเห็นความดีเขาจริงๆนะเพราะเจาะไปเห็นความดีเขาจริงๆแล้วก็ชมในส่วนที่เป็นความดีที่เป็นส่วนเป็นคนได้แหละเจาะมาได้จริงๆด้วยแต่ไม่มองอยังไงก็ไม่เห็นความดีเลยชมไว้ก่อนชมไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่แยกเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเมตตาไหมเนี่ย เอาเห็นนักเรียนตื้อเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหาความดีของนักเรียนก็ยังไม่เจอชมไว้ก่อนชมไว้ก่อนอย่างนี้ใช่เมตตาไหมต้องพิจารณาหาความดีค่อยเจอก่อนใช่ไหมเออต้องเจาะคุณเขาอย่าว่ามีคุณตรงไหนเนี่ยดีไปสอนนักเรียนเนี่ยคุณเขาอยู่ตรงไหนความดีเด็กคนนี้อยู่ตรงไหนหาให้เจอหาอย่างไงดียวทางกายก็น่าเกลียดทั้งวาจาก็น่าเกลียดเราจะหาตรงไหนตัวนี้หาตรงไหนดี หายยังไงเอาทางกายแสดงออกมาก็ชอบอบชอ บ, ชอบตีชอบแก้งเพื่อนเนี่ยนะทางวาจาก็ด่าเพื่อนไปทั่วแลยังหาความดีของเด็กได้ยงไงอ่ะทางกายก็หาไม่เจอทางวาจา ก, ก็หาไม่เจอจะหายตรงไหนหายใจใจเป็นยังไงความคิดความอ่านก็ดีเยอะคือบางทีบางทีบุคคลบางคนเนมันหาปัจจุบันไม่เจอนะอย่าลืมนะ นะฮปัจจุบันไม่เจอจริงจริงเนี่ยกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีจิตใจถึงริษยาฆาา่าดมมีที่สุดหมดเลยเนี่ยไม่ชอบให้ไม่ชอบคิดเรื่องดีๆกับคนอื่นเขาเลยเนี่ยเนียมันหายอย่างไรก็ไม่เจอเนี่ยก็ดูความเป็นคนเขาก็ยอยี่เป็นคนมาได้มาจากบุญเนะเนี่ยโอ้อดีตมันดีมาเขาใจอย่างเนี้ยเอออดีตดีให้มันเห็นคุณจริงจริงก่อนเขค่อยชมเขาแต่ไม่ใช่อยูอยเนี่ยปัญญาไม่ได้ชี้เห็นคุณความดีอะไรเขาตามความเป็นจริงเลยก็ชมไว้เพื่อ เมตตาจะไม่ต้องการให้ใครมารักเราแต่เมตตาเป็นสภาพที่เติมเต็มที่มันโกดขึ้นจากใจตนเองจริงๆเนาะพราะจะมองเห็นไหมหล่ะเมตตาเป็นอย่างนั้นทีนี้แล้วก็ประกาศคุณมองเห็นคุณโดยความเป็นคุณของเขาจริงๆจึงประกาศคุณนะเข้าใจ ย, ยังแต่ถ้ายังไม่เห็นคุณจริงๆและไปประกาศคุณอันนี้แปลว่าอะไรเป็นเมตตาแท้หรือเทียม เออต้องเห็นก่อนต้องเจาะให้เห็นคุณเห็นความดีทางกายทางวาจาทางใจเห็นการกระทําที่เขากระทามาในเรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งเป็นความดีจริงๆเห็นตรงนั้นจริงๆประกาศคุณออกมาลักษณะนี้ตรงนั้นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เมตตาเกิดได้เออมองเห็นตรงนั้นนะเข้าใจไหมเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจเจาะประเด็นอีกเอ้าไม่ทกเพราะการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก เมตตาจะเป็นแบบนี้นะไม่ทุกข์เช่นไปเห็นสิ่งที่มันไม่น่าชอบใจก็ไม่ทุกข์ใจอ่ะไม่ทุกข์ใจคื อ, อยังไงกลับไปที่บ้านทั้งสามีและลูกไม่รู้เล่นอะไรก็ไม่รู้ถ่ายอุจราระเต็มบ้านเลยเงี่ยนะถ่ายทิ้งกันไว้เส ร, ร็จงั้นแหละพอคนมีเมตตากลับไปบ้านเนี่ยทุกข์ใจไหมไม่ทุกข์ใจจะทำยังไง กวาดไปไหมเก็บเก็บไปด้วยหน้าตายิ้มแย้มผ่องใสไหมโอ้ที่อุปมายากเลยเนื้ออ้าวจะทํำยังไงใช่ไหมหรือเด็กเล่นๆกันเนี่ยเดี๋ยวใครเลี้ยงเด็กนุบานบ้า ง, างนะมีไหมถ้าเด็กนุบานนี่ยจะมีไหมไม่มีใช่ไหมใครเด็กป้อหนึ่งอ่ะเด็กป้อนหนึ่งมีไหมเด็กชั้นประถมปีที่หนึ่งดื้อดื้อไหม มีไม่เล่นกันแกล้งกันสารพัดอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วไปเห็นอย่างนั้นเป็นไงทุกข์ใจไหมถ้าความทุกข์ใจเกิดขึ้นตรงนั้นแปลว่าเป็นเมตตาหรือไม่ใช่เมตตาทุกข์ใจจะไม่เมตตาเนีไม่มีทุกข์เพราะการประสบกับสิ่งที่ไม่ไม่น่ารักไม่ทุกข์เขตที่ไม่ทุกข์เพราะเพราะอะไรทำไมจึงไม่ทุกข์ เพราะเข้าใจเหตุและผลเออเข้าใจเหตุและผลยกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยมันเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาก็พิจารณาก็วางใจได้เพราะมันมีสภาพของขันติอ่ะคือความยอมรับได้ยอมรับสถานการณ์ได้ด้วยปัญญาพิจารณาเบีเศ็ตเพียงแต่มองเบีเศ็ตปุ๊บไม่ทุกใจแล้วก็หาทางแก้ไข อ่ะถ้าสมมุติว่ามีคนมาด่ามีคนตําหนิมีคนมาใส่ร้ายป้ายสีทุกใจหรือไม่ทุกใจเพราะอะไรยอมรับได้ด้วยปัญญาใช่ไหมแต่ถ้ายอมจํานนเนี่มันจะหาทางแก้ตัวใช่ไหมล่ะถ้าคนยอมจำนนนี่มันจะหาทางแก้ตัวนะไอ้เราจะทำไงแก้ตัวไอ้เราเป็นคนชอบนะอัธยาศัยของเราเนี่ยเป็นคนชอบนั่งทับปัญหา หรือชอบเข้าไปรู้ปัญหาก็จะแก้ไขเอาครูเนี่ยครูเป็นคนชอบนั่งทับปัญหาหรือชอบปัดปัญหาคือปัดปัญหาหคนตัวกับนั่งทับปัญหาจะชอบอะไรฮะเป็นคนนั่งทับปัญหาไหมทับไม่ทับปัดปัญหาให้คนตัวไหมถ้าทําผิดทํำไง ถ้าทาถ้าหากว่ามันเป็นความผิดพลาดเราจริงๆเนี่ยยอมรับไหมยอมรับแล้วก็เฉยเมยต่อไปหรื อ, อยังไงแก้ไขไม่ได้แก้ตัวเนาะแล้วเวลาตอนยอมรับน่ยยอมรับแบบหน้านิ่วคิ้ว ข, ขมวดหรือยอมรับแบบชื่นใจเคยคิดไหมว่าถ้าคนมาชี้โทษเราเนี่ยแปลว่าเขามาตำหนิเราหรือเขามาชี้ขุมทรัพย์เอ่อ คนเวลาคนให้เขามาตําหนิเราเนี่ยเขามาชี้โทษหรือมาชี้ขุมทรัพย์เราคิดงั้นจริงเอรอฮะอยากให้เขาชี้ขุมทรัพย์ทุกวันไหมทํำไมคนชี้ขุมทรัพย์มันทําให้เรารวยหรือทําให้เราจนขุมทรัพย์นี้แปลว่าเราจะได้อะไรเนี่ยจะได้ทรัพย์จะได้ทรัพย์มันจะรวยหรือจะจนก็จะรวยทําไมไม่เอาเล่า ก็เขียนประกาศท่านทั้งหลายช่วยชี้ขุมทรัพย์เราทุกวันชี้บ่อยๆเธอเราจะได้รวยสัทีเนอะเพราะมันจนใช่ไหมล่ะเออดีไหมล่ะทรัพย์ในที่นี้เป็นอริยาทรัพย์หรือว่าทรัพย์ทรัพย์ภายในหรือทรัพย์ภายนอกชอบทรัพย์ภายในหรือชอบทรัพย์ภายนอกฮะอะไรชอบมากกว่ากันเอางี้ ซับภายนอกสามารถเป็นสเสบียงเดินทางเดินไปสู่พบหน้าที่ดีได้ไหมซับภายนอกเนี่ยบางคราวในปัจจุบันเนี่พบมันยังทําให้เราวิบัติได้ทำไมซับภายนอกใช่ไหมล่ะเออซับภายนอกไม่ดีจริงเราแต่ซับภายในดี ด, ดีและเป็นเหตุให้ไม่มีชรลาทุกเนะียความไม่โกรธเนี่ย เป็นเหตุให้เราไม่ไม่ต้องประสบความชลาทุกขด้วยอันนั้นเป็นเหตุโอนสูงเลยเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ชัดที่สุดก็คือว่าเมตตาเนี่ยทําให้ครูหัดและนักบวชเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ก็มีความสุขหรือครูหัดต่อครูหัดเนี่ยนะครูในโรงเรียนมันจงรัฐหรือตลอดถึงนักเรียนเนี่ยอยู่กันได้ด้วยความสุขในตัวเมตตาเนี่ย ถ้ามีเมตตาจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกไหมเห็นไหมนี่ต้องท่องไว้เป็นวลีเด็ดเลยนะว่าเมตตาจะทาให้เราไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเมตตานี่แหละความรักความปรารถนาดีนี่แหละและอย่างหนึ่งนะเมตตาถ้าเกิดขึ้นเนี่ยไม่ย่อมไม่ทำความเกี่ยวข้องด้วยอานาจแห่งราคะเลยอย่าลืมว่าถ้าใครสามารถเดินเมตตาได้ เจริญเมตตาได้เป็นกระแส pare, ชีวิตเป็นเนื้อเป็นตัวจริงๆไ ป, ไ, งไปเกี่ยวข้องกับใครก็จะไม่เกี่ยวข้องด้วยความกำหนัดยินดีไปเกี่ยวข้องกับใครก็จะไม่เกี่ยวข้องด้วยโทสะโทสะจะไม่ไม่มามากินเนื้อกินใจคนๆนั้นอีกเลยน่าชื่นใจไปแล้วแไปเกี่ยวข้องกับใครมันก็เย็นตาเยน็นใจอ่ะมันเบาตาเบาใจมากมันจะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกันมากและก็จะไม่เกี่ยวข้องกับใครด้วยโทสะให้สังเกตเธอ รักใครมากพอคนคนนั้นเปลี่ยนและเราโกรธมากแสดงว่าความรักก่อนหน้านั้นเป็นเมตตาหรือเป็นราคะจําไว้ไอ้ตัวราคะเนี่ยมันเป็นรักใครแล้วมันจะกําหนดมันจะไปบงการเขามันจะจัดแจงเขาให้เขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้จะบงการทุกเรื่องจุกจิกราคะมากยิ่งจุกจิกมากโลภะมากยิ่งจุกจิกมากแต่เมตตามากเป็นยังไง เมตตาเนี่ยลักษณะเมตตาเนี่ยคนที่มีความโลภเวลาคนที่มีโลภะนะเกี่ยวข้องกันด้วยโลภะเนี่ยเขาก็จะทำให้กันดีหรือไม่ดีเช่นเราลักลูกลักอะไรแบบราคานสมมุตินะลักแฟนอย่างราคาลักนักเรียนแบบราคาเนี่ยอุย้ยตอนที่ลักทาอย่างดีเลยนะ แต่พอคนคนนั้นไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราคิดเราจะโกรธเขาไหมโกรธไม่โกรธก็จะโกรธอเมตตาทํากับเขาทําดีไหมทําอย่างดีแลยในขณะทําไปเครียดไหมไม่เทียบถ้าคนคนนั้นไม่เป็นไปอย่างที่เราบงการไว้ทุกไหมไม่ทุ ก, กเห็นไหมหน้าให้เกิดไหมเมตตาเนี่ยทีนี้ ย่อมได้ความไม่โกรธได้ความไม่โกรธอันหาประมาณไม่ได้เขาเรียกว่าย่อมได้อบายาบาสัญญาก็คือว่าแล้วจาเรื่องอะไรนะต่อไปนะเราจะจําทุกเรื่องแต่เรื่องที่จํามาทั้งหมดจะไม่เป็นเหตุแห่งความโกรธเลยโยจะเป็นเหตุให้เมตตาเกิดเท่านั้น เ, เราเนึกนึกดูสิสิ่งที่เราจำมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุให้โทสะเกิดหรือเป็นเหตุให้เมตตาเกิดส่วนใหญ่เห็นไหมอย่างี้ตรงนั้นเน่ะถ้าคนเจริญเมตตาได้มันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสัญญาจะเปลี่ยนความจำสัญญามันจะกลายเป็นสัญญาที่เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อเมตตา จำอะไรก็มเมตตาแม้ยกตัวอย่างนะในอดีตเราถูกคนตําหนิถูกคนด่าตอนนั้นเราโกรธมากแต่พอกลับไปจําใหม่มันจะมองไงรู้ไหมแม่เพราะครั้งนั้นแหละเป็นเหตุทําให้เราประสบความสําเร็จในวันนี้เฮ้ยมันจะมันจะเปลี่ยนสัญญาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีคนด่าดูถูกวันนั้นเราจะไม่ได้ดีวันนี้เรชื่นใจเลยอะ ชื่นใจเลยครัเขาใจยังสัญญามันเปลี่ยนโอ้ยวันนั้นนะเขาด่าเราโอ้โหดีนะเนี่ยเพราะเขาด่าเราวันนั้นแล้วเราไม่ไปเถียงเขาเนี่ยนะทั้งๆ ท, ที่เราโกรธนี่แหละมาวันนี้เราจึงเราจึงได้ดิบได้ดีวันนี้ถ้าเราไปล่วงละเมิดจึ้มาโอ้หผิดกฎหมายจะถูกจับเด็ดคุกอะไรเยอะแยะเนี่ยนะหรือเราเสียผู้ใหญ่เสียความเป็นครูสภาพของความเป็นครูหมดสภาพเลยอนะ่ะ ไปยืนด่ากันนักเล็กเด็กนักเรียนได้ไงเนี่ยใช่ไหมที่เด็กเราไปยืนด่าเด็กนักเรียนป๊บปับปบป๊บเนี่ยดูไม่สมควรกับเราเลยดีนะวันนั้นเนอะว่างั้นทั้งๆตอนนั้นเรากโกรธนั่นแหละแต่พอเรามาเจริญเมตตามันกลายเป็นเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสัญญาเป็นอัพยาบาทสัญญาประกายเป็นไม่พยาบาทแล้วเป็นอัปมานะสัญญาหมายความว่า เราจะมีสัญญาอันหาประมาณนี้ได้จําได้เยอะหมดเลยนะแต่สิ่งที่จํามาทั้งหลายมันจะเกื้อกูลต่อเมตตาหรือเกื้อกูลต่อโทษะมันจะเกื้อกูลมันจะเป็นปัจจัยเกือก้อหนุนทําให้เมตตามีพลังมากขึ้นเมตตามีพลังมากขึ้นก็ย้งยังเอา้าตอนนี้เราก็กลับไปเปลี่ยนสัญญาดูที่กลับไปคิดเรื่องเก่าๆที่เราไปเครียดไปโกรธไปทรมานทั้งหลายเราเนี้ยนี่เป็นอย่างนี้ และอย่างหนึง่งชัดที่สุดก็คือคนที่มีเมตตาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากไปเล่ไม่อยากแก่ไปเล่ก็เป็นปัจจัยแก่การทำให้ไม่ได้ชราใช่ไหมล่ะอายุมากขนาดไหนก็ดูเหมือนคนไม่แก่เพราะอะไรอ่ะคนที่สภาพจิตใจผ่องใสเนี่ยจะแก่หรือไม่แก่ ก็กลับไปเจริญเมตตาเส้ร่างกายเราจะเปลี่ยนใหม่กันหมดเลยนี่นะกลับไปฝึกเจริญเมตตาเต็มที่ลองสักเดือนหนึ่งมีคนทักเลยเอ่ะเอ๊ไปกินยาอะไรมาก็จะถามอย่างนี้นทำไมหน้าตาผ่องใสขึ้นไอ้คนที่เครียดทั้งหลายนี่คือคนไม่มีเมตตาเนี่ยไอ้พูด่นี้หนักไปไหมคนที่ร่างกายตึงๆกันทั้งหลายโดยมากเมตตาไม่ค่อยเดินจริงอ่ะ คนที่เจริญเมตตาจริงๆไม่ต้องไปคลายเส้นใครอะไรกันมากหรอกสังเกตไหมล่ะคนที่หงุดหงิดเนี่ยคือคนขี้โกรธนี่คนมีโทรศัเยอะพอหงุดหงิดแล้วมันก็ตึงไปหมดเลยยอมต้องจับเด็ดจับตามไหลาตามแขนตามอะไรดีเครียดไอ้เครียดคือโทรศโทรศัพก็คือไม่มีเดินเมตตาไม่ได้จริงแล้วเป็นปัญหาของสังคมไทยในตอนเนี้ย ไม่ใช่เป็นปัญหาของในโรงเรียนบัณจงรัฐนะมันทั้งประเทศนะถ้าคิดอย่างนี้สบายใจไหมคือมันเครียดทั้งประเทศเลยสบายใจใช่ไหมแต่เราก็ย่อส่วนมาเราจะแก้ไขยังไงจะแก้ไขยังไงทีนี้เป็นปัจจัยก่ับความเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไอยนก่มถาว่าทนี้ก็เอาไปไปฝึกหน้าฝึกไหมโยม ถ้ารู้อย่างนี้เราไม่ปล่อยให้แก่ถึงขนาดนี้จะไมเ่เล่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ปล่อยให้แก่ถึงขนาดนี้เราเดี๋ยวนี้เราไปใช้วิธีอะไรเนี่ยนะไปหัวล้อ ก, กันว่าไงยอมนิกวิธีคลายเครียดไปหัวล้อมาหัวล้อ ก, กันเถิดไม่ได้เรื่องหรอกหัวล้อไม่โลภะไม่โลภะไม่จะเป็นเมตตา อย่างนั้นเป็นคนส่วนใหญ่ก็แก้กันอย่างเงี้ยโทรสากเกิดมากๆก็โลภะแก้ใช่ไหมลราแก้ด้วยโลภะแก้โดยการไปกินอาหารอร่อยอร่อยไปดูหนังสนุกสนกไอ้รายการบันเทิงมันถึงขายดิบขายดีไงพรอมนุษย์คิดว่านั่นแหละเป็นตัวคลายเครียดเถอะเวลาเกิดเครียดขึ้นมาก็หาแหละไอ้ตัวบันเทิงมาดู ยอมเชื่อไหมว่าบรรดาพวกแสดงตลกทั้งหลายเป็นชีวิตที่เครียดที่สุดและเป็นคนที่มีปัญหามากที่สุดไมถ้าพูดอย่างนี้ก็ไปใส่ลายเขาหรือเปล่าไม่รู้วไม่ไปเจาะดูไปเจาะดูจะเห็นปัญหาทั้งนั้นเ่ยเขาไปกันไม่เป็นแล้วนะตอนนี้ให้ยอมรับข้อเท็จจริงนะว่าตอนนี้สภาพสังคมมันไปกันไม่ได้แล้ว คือมันโกรธมันก็เอาโลภะแก้มันทำกันอย่างเงี้ยโกรธอโลภะแก่โกรธอโลภะแก่เนี่ยมันเดินออกสายกลางไม่ได้ที่มันจะออกจากโลภะกับโทสะเนี่ยมันออกไม่ได้พระเจ้าก็เลยบอกว่าก็เดินเมตตาสิจะออกเพราะถ้าหากเจริญเมตตาเป็นเนื้อเป็นตัวกายก็ออกกายกรรมก็ออกไปเกินกับเมตตาวจีกรรมคําพูดก็ออกไปเป็นเมตตาจริงๆใจที่เป็นเมตตาจริงๆเนี่ยนะมันจะไม่เกี่ยวข้องกันด้วยราคะและโทสะทีนี้ เป็นปัจจัยแก่มิตรสมบัติและพรหมวิหารด้วยทีนี้ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นนะว่าสภาพของเมตตาเนี่ยสภาพของเมตตาที่จริงเนี่ยถ้าคนที่เจริญเมตตานี่เนะยหนึ่งโลภะก็ถูกละไปด้วยไม่ใช่ไม่ถูกละเพราะว่า ให้สังเกตดูบอกว่าคนที่มีสภาพของเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะทำให้สภาพจิตใจของท่านผู้นั้นนะ่ะเป็นไปกับการมีความรักปรารถนาดีแล้วก็เอื้อทอนมปนต้นด้วยนี่นีนี่พูดถึงในเรื่องของของเมตตาอภิการต่อมาเนะตัวพลวิหารอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกรุณาตัวการุณา กรุณาเขาแปลว่าอะไรกรุณาแปลว่าอะไรกรุณาโดยมากเราจะไปพูดรวมกันนะเมตตากับกรุณาเนี่ยครูเนี่ยเออเราเมตตาเขานะเราการุณาเขานะเลยงงมึนเลยแต่เนี่ยถามว่าเมตากับกรุณาเนี่ยใช้พร้อมกันได้ไหมไม่ได้ได้ยังไงแล้วเมตาก็คือเมตตาการุณาเขคือกรุณาต้องแยกให้ชัดเอาแยกให้ชัด เมตตาเนี่ยในวาระไหนเราควรเมตตาเขาวาระไหนในยามที่เขาปกติเนี่ยเราควรเมตตาเขามีความปรารถนาดีเอื้อทอนกว่าเขาแล้ววาระไหนเราควรกรุณาเขาในยามที่เขาประสบความทุกข์หรือกําลังทุกข์ใจอะไรก็แล้วแต่นะ กรุณาก็แปลความสงสารคือความหวั่นไหวใจในเมื่อผู้อื่นมีทุกข์อย่าลืมนะใจหวั่นไหวเลยนะทนดูไม่ได้อ่ะแต่ของเรามันต่างกันนะอย่าลืมสังเกตดูนะกรุณาของคนทั่วไปเนี่ยทนดูไม่ได้ดูไม่ว่าดูแล้วจะเป็นลมอันนี้ใจกรุณาไหมคือดูไม่ได้เห็นคนทุกข์เนี่ยดูแล้วจะเป็นลมอันนี้ทนดูไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหม ยอมไม่จริงไหมอย่างนี้กรุณาไหมถ้ากรุณานี่ทนดูได้ไหมทนดูไม่ได้แต่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือแต่ถ้าหากว่าไอ้ตัวไม่ใช่กรุณามันทนไม่ได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นลมมันรีบหนีไม่ดูแล้วกลัวเอาเอางีเา้เคยเพื่อนตายตัวหน้าตัวตาไหมเกิดมาเป็นคนกับเขาเคยเพื่อนตายตัวหน้าตัวตาเคยมีไหม ไปด้วยกันแล้วตายเดี๋ยวนั้นต่อนหน้าต่อตาเลยเคยเจอไหมเจอจะไหมแล้วตอนนั้นการุณาเกิดไหมตกใ จ, จเฉยๆแ ล, แล้วคิดจะช่วยเพื่อนอยู่ไหมตอนนั้นเฉยไม่ได้นะถ้ามาเคยเนะอามาเป็นพระนี่นะกอ อ, อ, อยู่กับพระเนี่ยพระท่านก็อาการคือนอนนอนนอนในเตียงก็กำลัง กึกกึก ก, กนี่นะตอนนั้นอนมาก็ป่วยคนป่วยแับคนป่วยนี่นะนอนอยู่ใกล้ๆกันอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะไปอยู่แล้วนี่นะอนมาก็เลยเอ๊ะทำไงดีเนีก็หันไปตัวเองก็ลุกไม่ได้ตอนนั้นน่ะนะก็เลยลุกไปบอกว่าท่านท่านพูดพยับไปเยออเหมือนว่าให้บอกท่านหน่อยว่าท่านจะทำยังไงอมาก็บอกเออท่านตอนนี้อยู่ในสนามรบนะเนี่ย มันโดนยิงทุนไปหมดแล้วก็มันลุกไม่ขึ้นแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเออวางใจยังไงคิดยังไงท่านก็ค่อยๆจากการตกใจนะ้อตาเริ่มตาเหลือกตาอะไรท่านก็พยักหน้าครับครับแล้วอีกลายหนึ่งเอามาบินธบาตเนยเดินบินธบาตเดินเดินเดินเดินไปใช่ไหมทีนี้เอามาข้ามถนนก่อนพระองค์เนี่ยท่านข้ามมาที่หลัง ที่อามามองเห็นไปเห็นมอไซมาอย่างเร็วเลยรถมอไซคะเ์เน erm. มาอย่างเร็วเลยนะ e e อามาก็ลุนเลยอุ้ยคอยพ้นนะไม่พ้นเลยตูมกระเด็นบาดเบื่อที่กระเด็นตูมอามาก็รีบเอามาก็รีบวิ่งไปนะวิ่งไปก็ไปจับท่านท่านนอนราบไอ้มอไซค์ก็วิ่งมอไซ์เหลียวมาดูแป๊บมึงรีบวิ่งไปมันมอนมอมอไซค์ยางใหญ่อ่ะนะแบบประเภทที่คันใหญ่ๆที่ว่าคนขับแล้วนอนนอนเหมือนนอนนขับอย่างงี้ยนะ นะคันใหญ่ๆงั้นนะโอกระเด็นไปไกลมากมาก็รีบไปดูท่านท่านก็นอนตอนนั้นยังไม่สลบหรอกท่านก็ร้องโอ้โ อ, โอ้ท่านบอกปวดขาปวดขามาก็เหลียวไปโอ้โหตายแล้วเนี่ยขาท่านขาดทีนี้เพราะขาขาดออกมาก็เอาเอาผ้าสบงเอ่อผ้าจีวรท่านมาไปเสร็จก็ขาขาของท่านขาดออกจากกัน น, นี้เน่ย มาก็จับมาท่านบอกท่านปวดขาปวดขามาเออไม่ไม่เป็นอะไรมากเลยมาบอกไม่เป็นอะไรมากก็มัดจับมัดเออดมัดให้เดี๋ยวมัดแผลตรงนี้ให้มามัดมัดไปเสร็จอมาก็มองมองมองดูก็ก็บอกพาอีกรูปหนึงบอกว่าเออตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลก็บอกว่าให้ให้ให้ให้รถโรงพยาบาลมามาก็ดูพยายามดูก็ก็บอกให้ท่านว่าเออยังไง ก็ถามมาถามท่านบอกว่าปวดตรงน้ายท่านบอกปวดที่ขามากเลยบอกเอออย่าขยับนะก็บอกบอกท่านบมกอย่าขยับก็ก็จับตัวท่านก็มาหนุนแล้วก็นั่งให้ท่านนอนบนตักเขาไว้แล้วก็จับท่านเลือดก็เต็มข้างล่างนี่เนะยก็ที่ก็อธิบายให้ท่านวางใจยังไงเลยท่านก็ครับครับครับเนี่ยสักพักนึงเการถมามาก็นั่งนั่งก็บรถไปด้วย พอไปไปเสร็จลงพยาบาลนี้บอกรับไม่ได้แล้วอาการหนักมันไม่ใช่ขาอย่างเดียวที่ตรงเออตรงกระเพะาะปัสสาวะก็แตกโดนชนนี่นยนะกระเพะาะปัสสาวะก็แตกไปไปไปเสร็จก็เข้ามาที่จังหวัดพอไปที่จังหวัดไปเสร็จท่านก็ร้องร้องรั่นเลยเนี่ยร้องแบบร้องแบบที่ชนิดที่ว่าไปไปมามาก็บอกกับหมอบอกไอ้คอคอเข้าไปจัดการ หมอก็ท่านไปเสียงอามาก็ถามบอกท่านจำว่าหาว่าจํา จ, จำได้ไหมจําได้ครับท่านก็เรียกเรียกเามาเรียกอาจารย์อาจารย์เออนี่ยเอาวางใจนะแล้วก็ใขไขควรพิจารณาท่านก็ครับครับครับนี่เนี่ยนี่หมอเขาก็จะไปเอานั่นเบียดเสร็จอามาก็บอกเออขอไม่ต้องได้ไหมเอามาต้องการอยากดูดูแลท่านหน่อย ก็เข้าไปก็เข้าไปตามหมอก็เขอเลยมาก็บอกพ่อมาบอกว่าก็บอกหมอเขาบอกอาการไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยอมาก็บอกให้ท่านระลึกถึงพระพุทธคุณของพระเจ้าอามาก็ไล่ฟังไล่ไปเรื่อยท่านก็คาบคาบคาบแล้วก็เงียบไปเลยถ้าอย่างเงี้ยนี่เขาเราียกว่า ใ, ให้สุขติให้สุขติโยม ถ้าหากว่าไปปล่อยให้อย่างดำเนินการตามปกตินี้ท่านจะมีทุกขติแน่นอนคือคือความการุณาเนี่ยความการุณาอย่างเงี้ยเนี่ยมาไม่ใช่พูดว่าตัวเองมีกรุณาเลยนะแต่พูดให้เห็นว่ายามที่ไปช่วยเนี่ยจากไม่คิดถึงสิ่งอื่นมันน้อมทางกายไปจับไม่รังเกียจทั้งทงที่อามาเนี่ยนะถ้ามองดูนี่นะ หนึ่งเขาจะไม่ให้อมาเข้าไปอยู่ใกล้กับคนที่บาดเจ็บอย่างนั้นนะโรคโรคที่เป็นเนี่ยโรคที่เป็นเนี่ยแต่แต่ด้วยความถ้ามันกรุณาขึ้นมาเนี่ยมันจะลือมันจะตัดความกังวลจะไม่กังวลแล้วตัวเองจะเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ถ้าเออเรามีศักยภาพที่จะช่วยเขาได้ไหมถ้ามีศักยภาพที่จะช่วยเขาได้น้อมที่จะไปช่วยเขาจริงๆด้วยลักษณะอย่างนี้นะถ้าช่วยทางร่างกายไม่ได้ช่วยทางไหน ภาพจิตใจแล้วให้เขามีคติเป็นไปที่ดีให้ได้นี่รายหนึ่งนะเอ๊ะถ้าเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยมันก็จะน่าเกลียดไปน ะ, อะขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างจะได้ปลุกจิตสานึ ก, ป ล, กปลุกความวิญญาณงความเป็นครูวออกมาสักหน่อยนะเรื่อมาก็เจอโยมคนหนึ่งถ้าเป็นนักบวชเป็นไม่ชีเนี่ยใกล้ตายแล้ว เป็นโรคที่ไม่พึงปรารถนาก็คือเป็นโรคไอโรคอะไรที่ติดต่อก็เรียกโรคอะไรโรคปอดโรคปอดโรคโรคปอดเนี่ยเป็นโรคที่ติดต่อนะไอวันนโรคอ่ะเป็นวันโรคอ่ะแล้วแล้วเอามาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเนี่ยต่ำพ่อมาต้องกินยากดภูมิซึ่งหมอจะห้ามมาก เข้าใจใช่ไหมอามารู้ไหมรู้แต่แต่แกบอกว่ายังไงแกจะตายแล้วเนี่ยขอคุยกับามาหน่อยแล้วต้องไปคุยในห้องห้องคนไข้อะ่ะทีนี้ถ้าไปคุยเนี่ยก็จะไปใส่แมสเข้าไปเนี่ยแกก็จะใจแกก็จะเสียอีกเข้าใจใช่ไ้มลูกคนแกขนาดนั้นเน่ะ อามาต้องไปนั่งคุยเนี่ยโยมนะแล้วไปเขาก็ บ, บันทึกเทพด้วยเทพนี้ยังมีอยู่ด้วยจ้าไปตอนไหนก่อนมันเป็นเทพไอ๋เป็นในไม่ใช่เทพแบบนี้หรอกเทพเป็นใ เ, เครื่องบันทึกคาสเซ็ตเนี่ยตั้งไว้แกก็เล่าอยากจะเล่าให้จานฟังะ่าจานฟังแกก็เล่าเอามานั่งใหม่ๆเนี่ยนั่งนึกถ้าเราตายไปถ้าเราติดเชื้อเนี่ยเราเราหนักแน่นะอย่า ง, งานเนี้ย อามาดสมาใจก็มาก็ไม่ดีนะใหม่ๆนี่นะประมาณสักเกือบสิบนาทีเนะี่ยมาวางใจถ้าไม่ได้เลยนะเขาเนะีเขามาเอาว่างานนี้เออถ้าจะช่วยชีวิตคนให้เขาได้สุขติถ้าเราจะติดโรคเนี่ยหรือว่าร่างกายเราจะเป็นอะไรละเอาละก็วางปลงใจเสร็จก็เอาเลยดีนี้ก็ แล้วก็อธิบายให้แกฟังแกก็ทีแรกแกก็ร้องไห้เล่าเล่าๆล่าความที่ไม่มีลูกหลานไม่มีอะไรเยี่ยมเยยนอะไรต่างอธิบายอธิบายอธิบายอยู่งั้นประมาณเกือบสองชั่วโมงผลปรากฏแกก็ตายได้เทปมามว้วนนแล้วอยู่ต่อมาประมาณเดือนกว่าๆมาก็ไปตรวจอันมาติดเชื้อที่ปอดเนี่ย ติดวันในโลกต้องกินยาวันณนโลกอีกหกเดือนหกเดือนเอามาทุกใจไหมเอามาไม่ทุกเลยไม่ทุกหรอกเอา ม, ามั่นใจวันหนึ่งเราจะให้สุขติแก่คนสักคนเราจะป่วยสักหกเดือนเนี่ยยอมเถอะยอมเอะ ถามว่าที่ยอมอย่างนั้นเนี่ยเพื่ออะไรกันเนี่ยเอามาหวังอะไรเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเกินสิบเกินสิบห้าปีแล้วอามาถึงพูดแล้วก็จะไม่พูดให้ให้ญาติเเขาได้ยินด้วยในะตรงนี้จะไม่พู ด, ด ว, ว่าผลจากการที่ไปไปคุยกับยอมคนนี้เราเรารู้ล่วงหน้าไม่รู้รู้รแต่ามามั่นใจว่าเออถ้าถ้าบุญเราดีก็ไม่ติดใช่ไแต่ว่า ค่าวนั้นเนี่ยคงจะไปติดตอนช่วงที่อามาจิตใจที่มันว้าวุ่นเนี่ยจิตใจที่ว้าวุ่นแต่ถ้าสมมุติวันนั้นนี่ น, นนะอามาเดินกรุณาได้จริงเนี่ยไม่ติดมั่นใจว่าไม่ติดมีอยู่ครั้งหนึ่งนะในหลวงเนี่ยไปเยียบคนทางภาคตายแล้วก็ ไปเยี่ยมคนที่ป่วยเขาเรียกโรคอะไรนะที่ติดต่อทางสัมผัสทางกายโรคอะไรนะโรคอะไรนะโลกเรือเร้อนรือรู้โรคเรื้อนนี่นีจะพูดการุณานะพอไปเบสเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ใช้มือเนี่ยไปจับไปจับคนโรคเรื้อนตลอดหมอก็ดีสมเด็จพราอชินีเป็นต้นก็ดีเนี่ยนะก็ก็ไม่กล้าพูด ไปไปมาหมอก็ไปโทนไปโทนสมเด็าพระาชนีบอกว่าใ ห, ใ, หให้ให้ให้ให้ห้ามด้วยเถอ อ, ออย่าอย่าไปสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวเลยสม้ว็จพาชินีก็ได้จังหวะก็กราบทนว่าคออณะแพทย์เป็นห่วงอย่าได้เอามือไปสัมผัสคนป่วยโรครกเรื้อเลยท่านก็แย้มแย้มย ม, ย ม, มาแล้วบอกว่า เมตตานั่นแหละจะคุ้มครองเราเมตตานั่นแหละว่ า, างงี้นะท่านบอกเมตตาที่เกิดในในในกระแสความคิดของเรานั่นแหละมันจะคุ้มครองท่านก็นทําต่อไปมีมีอยก่ลายหนึ่งจะพูดถึงโลกเรียนเดี๋ยวขอพูดเรื่องตัวเองนิดหนึ่งได้ไหม <laughs> มียอมคนหนึ่งนะเอ่อ แกเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคเรือนแบบหนักมากแล้วกินตามข้อหมดแล้วอันนี้เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นประมาณทักเจ็ดปีเนี่ยตอนนี้ามาตอนนี้อามาก็ป่วยแล้วนี่หลยนี่พลรวกฏก็โยอมเขาบอกว่ายอมคนเนี้ยไม่เคยได้ใส่บาดพระเลยเขาบอกว่ามีอยู่ครัง้งหนึ่เอ่ะ แกไม่กล้าไปใส่บาตรพระแกกลัวพระจะรังเกียจแกอามาก็เออไม่เป็นไรก็เลยมานมนิมนต์ให้อมาเนี่ยไปแล้วแกก็อยู่ในบ้านคนเดียวใช่ไหมลูกหลานไปก็ไปศึกก็ต้องไปอยู่ห่างๆเรื่องๆเนี่ยแล้วให้อามาเนี่ยเข้าไปรับบาตร แ, แล้วรับเบ็ดเสร็จเนี่ยอามาก็ไปฉันต่อหน้าแกด้วยฉันที่อาหารที่แกใส่ด้วยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นเรื่องดิ ชีวิตนี้เป็นเรื่องที่สาหัสักกันจริงไงเนี่ยเอากล้าไหมถามก่อนกล้าไหมกล้าพอพอไปเบียดเสร็จเข้าปูอาศานะเอามาก็นั่งแล้วแกก็คนคานเข้ามาคานมาแกถามแล้วถามอีกว่าถ้ายอมตักมือแกก็ด้วนก็กุดเนีพอจับทัพีได้เนี่ยตักอาหารใส่บาตรท่านท่านว่าไหม ท่านโกรธไหมท่านกลัวไหมบอกไม่ยอมใส่เลยเอามาชื่นใจมากที่ได้ได้มารับอาหารบิณฑบาตรของยมในวันนี้แกก็แกก็ใสของแกอย่างบัรจงไม่ชีวิตแกเลยอว่างั้นเถอะมาตั้งแต่เป็นสามสิบสี่สิปีเนี่ยใส่ไปใส่ก็ร้องไห้เอามาก็ฉันให้แกฉันไปใส่แต่หูแกก็ไม่ค่อยได้ยินมันกินไปเยอะหมดแล้วนะเลือดเนี่ยโรคเลือดกินหมดแล้ ก็นั่นเอแกก็ร้องไห้พูดอะไรงั้แกอยู่นั่นแหละแกเป็นคุณนายมาก่อนเป็นผู้ดีเก่าแต่ต่อมาต้องมาประสบชะตาชีวิตตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ทีนี้พอท่านไปเสร็จแล้วแกก็ เ, เล่าให้ฟังว่ายี่สิบกว่าปีมาแล้วแกไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงแกไปใส่บาตรลูกหลานพาไปนั่งใส่บาตรเนี่ยแกมารับ อภามารับบาดไปเสร็จพอใส่ผ้าเหลียวเห็นแกน่ะปิดฝาบาดอย่างแรงเลยออกใจอ่ะก็รีบเดินหนีอย่างเร็วเลยงับฝาบาดแล้วงับทพีแกไปด้วยงับทพีแกไปดึงแกก็ไปอย่างเร็วเลยเจ้บอกผ้ากลัวแกตั้งแต่นั้นแกก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็ไม่กลัวไม่กล้าใส่บาดอีกเลยตรงนี้เป็นเรื่องที่ อามาอามาคิดทีไรแล้วามารู้สึกว่าเอออามานึกว่าอามาเป็นคนคิดว่าเออทําสิ่งที่ทําได้ยากตัวเองนะแต่คนอื่นก็อาจจะทําได้ง่ายแต่เอา ม, ามองดูว่าโอ้โหต้องฝืนคิดแล้วคิดอีกนะเรียกวแบบเนี้อา้าวลองไปทํากันดูเถอะงั้นกรุณาเนี่ยลักษณะของกรุณาเนี่ยนะกําจัดทุกข์ของผู้อื่นหรือ สภาพที่ทําลายทุกข์ของผู้อื่นคือคนอื่นเขาเป็นทุกข์ก็ต้องการไปกําจัดทุกข์ให้กับคนอื่นต้องการจะไปทําลายทุกข์ให้กับคนอื่นเขาไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางกายไม่ว่าจะเป็นทุกข์ทางทางใจอะไรก็แล้วแต่นะที่เขาทุกข์น่ะต้องการจะไปจัดกําจัดทุกข์ให้เขาความไม่รู้นี่เป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์หรือไม่เป็นนั่นแหละ รู้ว่าใครไม่รู้ก็ไปบอกเขาให้เขารู้ในขณะที่ไปบอกความรู้ให้กับเขาเนี่ยบางทีไปเจอคนที่เขาไปเจอคนที่เขามีทิถฐิแรงๆด้วยนะต้องยอมรับด้วยนะเนตอนนั้นเน่ยคนบางคนนี่เขาไม่อยากรับอะไรนะเขาสมาทานความเห็นว่าข้าจะเป็นอย่างนี้ใครจะมาทำไงถ้าไปเจออย่างนี้จะทำไงก็ต้องหาทางช่วยเหลือ กรุณาเนี่ยซื้อหรือกำจัดทุกข์ของบุคคลอื่นได้เกลียหรือเหยียดนะเหยียดไปในสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุกข์ลักษณะของกรุณาเนี่ยเวลาเห็นคนอื่นประสบความทุกข์นี่ทนได้หรือไม่ได้น้อมไปที่จะไปช่วยเหลือเขากรุณาก็คือเมื่อทุกข์คนอื่นมีอยู่ย่อมทำยังความลําบากใจให้เกิดขึ้นแก่คนดีไอ้คาว่าลําบากในที่นั้นไม่ใช่ลําบากแบบร้องไห้ คือจะไม่ช่วยเขาเนี่ยวางใจไม่ได้มันมีงี้ว่าถ้าตราบใดเรายังอยู่นะที่ตรงนี้เราจะให้ความวิบัติเกิดกับคนที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเป็นเราทนไม่ได้สมมติว่ามานั่งอยู่ตรงนี้นะสมมติถ้าสมมตินะถ้ามามีกรุณาณนี่นะรู้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องประสบความทุกข์ยากลำบากแน่ ชีวิตของพวกเราเนี่ยไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราจะลำบากแน่นอนเราจะเสียหายแน่นอนแล้วเราจะต้องไปลงอบายทุกขติวิธิบาตินรกแน่นอนเนี่ยคนที่มีกรุณาเนี่ยทนดูอยู่ได้ไหมต้องบอกข้อมูลว่าอย่าทำนะอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนี้เราจะลงอบายทุกขติวิธิบาตินรกนะให้ออกมาจากสิ่งเหล่านี้เสียเนี่ยลักษณะของคนที่มีกรุณาก็จะน้อมไปลักษณะอย่างเงี้ยทีนี้ เวลาเราไปสอนนักเรียนเนี่ยนักเรียนเขารู้มาก่อนหรือไม่รู้ฉะนั้นเราสอนเขาด้วยกรุณาได้ไหมได้สอนเขาด้วยกรุณาได้ถ้าเรารู้ว่าทําไมเราต้องสอนเขาเราไม่ได้สอนแค่ในหนังสือแล้วแต่เนี้ยเราจะสอนเขาว่าเออเขาจักมีวิชาการอย่างนี้ไปช่วยทําให้กระแสชีวิตของเขานะ้พ้นจากความลาบากได้ยังไงมีความรู้สึกว่าไม่ได้ ถ้าคนไม่รู้อยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเราทนไม่ได้เราจะต้องทำให้คนที่ไม่รู้เนี่ยให้มีความรู้มีความเข้าใจเกิดขึ้นมาให้ได้เขาจะได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้วิชาการได้หลักการที่เราแนะนำเนี่ยไปดูแลชีวิตของเขาเขาจะได้ไม่ทุกเขาจะได้ไม่ลำบากถ้าคิดอย่างนี้เป็นกรุณาแท้ไหมทีนี้ในขณะที่ทำไปคนที่มีกรุณาทาด้วยความทุกข์ใจหรือทาด้วยความสุขใจทุกข์ใจหรือสุขใจ สุขใจนะอย่าลืมนะกรุณาเนะี่ยเป็นไปกับความสุขใจเป็นไปกับสมานะ ด, ด้วยเป็นไปกับสมานะ ด, ด้วยเนี่ยลักษณะของกรุณาเป็นไปลักษณะอย่างนี้นะว่ากรุณานั้นมีความเป็นผู้ไข้ที่จะขจัดทุกข์ของบุคคลอื่นไข่ก็คิดจะหาอก์หาทางก็วิจัยจะทำไงคนอื่นไม่มีทุกข์ทำยังไงจะขจัดทุกข์ให้กับเขาได้เนี่ยเน้ ความไม่รู้ของเขาเราทํำยังไงจะขจัดความไม่รู้ความมีที่ถิมานาของเขาทํำยังไงจะขจัดอย่างเงี้ยเ น, นะอย่างนี้เป็นต้นกรุณานั้นขจัดทุกข์ของบุคคลอื่นได้หรือไม่ได้ก็ตามนะก็ย่อมเป็นไปโดยการที่ประสงค์จะขจัดทุกข์ของบุคคลอื่นเป็นลักษณะจะทําได้หรือไม่ได้แต่คิดไหมเอาอย่างยงกตัวอย่างเห็นเขากําลังประสบทุกข์เ อ, อิญมีอยู่คนหนึ่งนะไอ้นั่งรถเมยไปเนาะรถเมยวิงว่งวิงว่งวิงไปในกรุงเทพ อามาก็นั่งไปด้วยสมัยนั้นสมัยนั้นเป็นรถเมย์ประจำรถขึ้นหรือพักขึ้นรถฟรีในในกรุงเทพเนี่ยมาก็ไปนั่งรถเขายังมีที่นั่งพระนะเข้าไปนั่งเสร็จปุ๊บอีนี้มีคนคนหนึ่งอยออไอ้หน้าไอ้ร้อนร้อนเนี่ยแดดก็ร้อนร้อนเนี่ยคนข้ามถนนมารถเมลก็ชนตูมกระเด็นไปพอกระเด็นไปมันไปไปชักชักปุ๊บปุ๊บุ๊บปุกลางถนนรถเมลก็จอดปุ๊บคนก็ชะงักไปดูไอ้คนกําลังชักกระดิ๊ก ตึ๊กตึกตึกึกึ๊เนี่ยพวกหัวล้อกันทั้งคันรถเลยหัวล้ออาการที่ชักเนี่ยทังนี้ใช้ไอ้งี้การุณาาั้ยเนี่ยนี่เีาเรียกว่าอะไรเนี่ยชอบหาความสนุกบนความทุกข์ของบุคคลอื่นนี่ไม่ใช่เลยเนี่ยไปไปดีใจไปไปตลกตลกที่เห็นชักที่มันดิ้นกระเดวกระเดาเงี้ยประมาณนี้กูโว อีกลายหนึ่งนี่นีเขามาเล่าเอางนะคือแกขับรถไปแล้วก็รถแกไปฟ่ม่มเนี่ยทางเนี่ยในรถแกไปเชียงใหม่บ่อยอยู่ไหมเนี่ยรถวิ่งไปทางเชียงใหม่เนี่ยรถรถแกฟัม่มพอฟั่มไปเสร็จก็รถกระทับแกแกะก็ออกไม่ได้แต่มือแกยังออกได้ไงแกโบกมือขอความช่วยเหลือทีนี้มีรถ รถผ่านมานะเป็นรถไอ้รถเมยรถอะไรเนี่ยวิ่งรถบรรทุกไอ้รถรถรรถเมย์ประจำทางวิ่งฟื้นมาจอดปุ๊บเขาพากันชะโงกมาดูเนะยแกก็บกขอควะบอกมือขอความช่วยเหลือตอนกลางคืนเนียนะเขาพอชะโงกว่ะเดียก็ถามว่าเฮ้ยตายหรือไม่ตายวะตายหรือไม่ตายก็ว่าเขาบอกยั้งนะโบกมือเนี่ยแม่หาไม่ตายก็ว่าเขาก็ขับรถไปกันเลยก็แกได้ยินอย่างเงี้เลยนะที่ที่ที่แก อไม่ตายเขาดูเนี่ยแกก็บอกขอความแล้วแกทําอย่างนี้คันแล้วคันเล่ากันแล้วคันเ่าแล้วก็ทับแกอยู่งั้นเนี่ยน้เข้าน้เข้าแรงแกก็เริ่มหมดหมดอต่นี้มีมีรถคันหนึ่งวิ่งมาสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยขับมา็มาจอดเบ็เสร็จตอนนั้นเนี่ยแกก็สลืมสลือแล้วแกแกแกยังระลึกได้อยู่แกมีเงินอยู่กับที่นั่งที่รถทับแกเนี่ยอยู่ห้าหมื่นบาท แกก็ควักเงินออกมาห้าหมื่นในตรงนั้นนะแกกําเขาไว้แกก็ยื้คนนั้น่ะยืดมือมาแกก็รีบเอาเงินเนี่ยยัดใส่มือในทําน้องว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยคือเอาเงินเนี่ยยัดใส่มือไปเลยห้าหมื่นบาทบอกช่วยผมด้วยแล้วแกก็หมดความรู้สึกไปเลยเพราะมันคันแล้วคันเล่าที่แกพยายามพยายามตลอดเนี่ยขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีใครช่วยแกเลยพ่อแก่เห็นคนคเนี่ยลงมาแกก็แกก็รีบเอาเงินเนี่ยยัดใส่มือเขาห้าหมื่นมีทั้งเลือดทั้งอะไรด้วยนะที่แกแกแกแกถูกนะแกบอกช่วยช่วยผมด้วยทีนี้เขาก็แกก็หลับสลบไปนะแกบอกว่าไม่รู้กี่วันแลแกมันก็ฟื้นก็อยู่โรงพยาบาลพออยู่โรงพยาบาลเบียเศ็จก็เขานั่นเบียเศ็ตก็ถามหาคนช่วย เขาก็บอกว่าคนช่วยกลับไปแล้วไอ้เงินห้าหมื่นาก็มาเขียนบันทึกไว้เขาไม่เอาเขาฝากไว้กับทางพยาทางโรงพยาบาลแล้วแกก็ตามหาจนทุกวันนี้ยังหาไม่เจอนะไอ้สองคนที่ช่วยแกนะั่เป็นใครทุกวันนี้แกยังไม่เจอนะแกก็ฟื้นมาแล้วแกบอกมันมีคนดีคนที่มีความกรุณามันมีอยู่แต่วันนั้นนะ่ะผ่านมาเนี่ยเป็นสิบคันเลยนะไม่มีใคร จอดดูแลดูจอดก็ไปจอดก็ไปมะมีคันหนึ่งที่ว่าจอดว่าแมไอ้หาน่าจะตายเนี่ยเนอะอันนี้แปลว่าอะไรอ่ะกรุณาในใจคนจริงๆมีหรือไม่มีคนไม่ค่อยเจริญกันจริงนะเนี่ยเว้นไว้แต่กับญาติกับอะไรเขาเนเองกับคนอื่นจริงๆอ่ะเดยมากก็ทิ้งส่งใช่ไหมให้สังเกต ด, ดูสภาพจิตใจเราเนี่ยว่า เอายามที่เขากําลังทกกันเนี่ยยามที่ที่เคยพูดบอกว่าเนี่ยเรานั่งอยู่เย็นๆอย่างเงี้ยเราเคยรู้ไหมคนที่กังวลร้อนเน่ยเราเคยนึกกรุณากันไหมเนี่ยที่เรากําลังอิ่มกันเนี่ยก็คนหิวอีกมากมายเราเคยนึกกรุณ า, าไหมเนี่ยเรามีเสื้อผ้าใส่แต่คนที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เนี่ยเราเคยกรุณาเขาไหมเราที่พอมีความรู้พอจะเลี้ยงตนเองได้แต่คนบางคนต้องไปเดินตามถนนที่ไม่มีความรู้อะไรต่างเราเคยคิดเคยเข้าใจความรู้สึกเขาอย่างนี้หรือไม่เนี่ย ฉะนั้นสภาพของกรุูนาเนี่ยขจัดทุกของผู้อื่นได้หรือไม่ได้ก็ตามก็เป็นไปด้วยอาการที่ประสงค์จะจะขะจัดทุกของเขาเนั่นแหละลักษณะจะเป็นอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความอดกั้นต่อทุกผู้อื่นได้เนี่ยนะมีความอดกั้นต่อทุกของคนอื่นไม่ได้เห็นคนอื่นได้ทุกอดกั้นได้หรือไม่ได้จะไม่ช่วยเหลือได้ไหมถ้าเรามีกำลังอยู่ช่วย มีกำลังด้วยกายช่วยด้วยกายมีกำลังด้วยวาจาช่วยด้วยวาจากายและ ว, วาจาช่วยไม่ได้ก็ส่งกำลังใจไปช่วยเนี่ยนะลักษณะการุณายะเป็นแบบนี้นะผู้ที่เห็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นคนยากจนเข็นใจทนเฉยอดกั้นต่อทุกข์ของคนอื่นไม่ได้เนี่ยเกิดความสงสารขึ้นมาความรู้สึกที่ไม่สามารถทนดูได้นี่แหละเมื่อเห็นคนอื่นประสบความทุกข์อันนั้นเป็น ก, ร, นกรุณาเป็นกรุณานี่ คิดว่าบุคคล น, นี้เป็นผู้ที่มีความทุกข์ยากแสนเข็ญทําอย่างไรเนาะเราจึงจะเขาจึงจะพ้นจากความทุกนี้ไปได้อันเนี้ยกรุณาเวลาจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะหาทางคิดว่าเอ๊ะทํำยังไงเอ๊ทอะทำยังไงจะทําให้เขารู้ทําให้เขาเข้าใจทําให้เขาได้เข้าใจสภาพของกรุณาที่แท้จริงไอ้กรุณาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นีประการต่อมามีการไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะกรุณาจะไม่เบียดเบียนคนอื่น ถามว่าการุณานี่มีสัตว์ที่กําลังได้รับความทุกข์เป็นอารมณ์หรือสัตว์ที่กําลังได้รับความสุขกรุณาเนี่ยกรุณานี่มีสัตว์ที่กำลังได้รับความทุ ก, ทกข์นะมีการเห็นสภาพที่สัตว์ทั้งหลายผู้ถูกความทุกข์เนี่ยครอบว่าเป็นผู้หน้าเป็นผู้หน้าอนาถเป็นเหตุใกล้นะทีนี้ถ้ามองอย่างนี้อาลองดูที่ว่าการุณาเทียมเป็นยังไง งงกรุณาเทียมเป็นยังไงอการุณาเทียมเป็นยังไงเป็นยังไงกรุณาเทียมเป็นยังไงฮะกรุณาเทียมกับกรุณาแท้ต่างกันยังไงฮะกรุณาเทียมกับกรุณาแท้ต่างกันยังไงต่างยังไงแสดงไม่เคยอ่านเอกสารเลยเนี่ยอ่านไม่อ่าน การุณาเทียมกับการุณาแท้ต่างกันอย่างไรการุณาเทียมกับการุณาแท้ต่างกันยังไงการุณาที่เป็นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการุณาเนี่เกิดความเดือดร้อนเกิดจากเสื่อมย่าเสียกรณีอย่างเงี้ยนะว่าไอ้การุณาเทียมเนี่ยคือเจือไปด้วยอกุศล กรุณาผู้ที่ประสงค์จะให้ผู้อื่นพ้นจากความเดือดร้อนแต่ตัวเองลำบากใจไหมเออลำบากใจช่วยเขาด้วยตัวเองก็เกิดทุกข์ใจด้วยโทมนัสด้วยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกกรุณาเทียมช่วยเขานะช่วยอา้าวโรป่วยช่วยเต็มที่ไหมช่วยแต่ตอนนั้นตัวเองทุกข์ด้วยั้ยอย่างนี้เป็นกรุณาแท้หรือเทียมก็อย่าไปทำอย่างนี้นะ กรุณานมันดีใจตรงที่ได้ช่วยแล้วได้ทําเต็มที่เมื่อทาเบสเสร็จแล้วมันจบหน้าที่จบภาระเบสเสร็จแล้วก็ชื่นใจตัดความวิตกกังวลได้กรุณาแท้จะเป็นอย่างนี้ถ้ากรุณาเทียมเนี่ยที่ไปช่วยเขาบางทีมันตนเองมีส่วนได้ที่ไปช่วยอันนี้ก็ไม่ใช่กรุณาแท้เป็นกรุณาเทียมสภาพที่น่าสงสาร ทั้งหลายเราเนี้ยนะที่เราเห็นเบ็ดเสร็จแล้วเวลาเนี่ยถ้าการุณาก็สังเกตอย่างนี้นะว่าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นแกสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็น้อมในการที่จะไปช่วยเอ้หมดเวลาอย่างเนี่ยอีกคุณเร็วกเกินหานาทีอา้าวใครจะถามอะไรเนี่ยเลยไม่จบเลยมุธิตาสรุปตรงนี้ก่อนดีกว่าสรุปให้ทั้งหมดเลยนะทั้งหมดนี่นะกระบวนการพรมิหารเนี่ยที่จะสรุปตรงนี้ก็คือว่า มันมีเมตตาแท้เมตตาเทียมนะเมตตาเทียมเมตตาแท้กรุณาเทียมกรุณาแท้มุทิตาเทียมและทีนี้ตัวมุทิตาเทียมเนี่ยมุทิตาที่เจอไปได้บาปพอยินดีต่อความสุขเลิศของบุคคลอื่นแต่มีการยึดมั่นถือมั่นที่ไปแสดงความยินดีกับเขาเพราะเราได้ดีเขาด้วยแต่ถ้าคนอื่นที่เราไม่รู้จักจะไม่แสดงความยินดีกับเขาหรอก ยกตัวอย่างเช่นดังที่ได้กล่าวว่าเออน้ำท่วมบ้านเราเนี่ยนะแต่ไม่ท่วมบ้านคนอื่นเราสามารถไปพอยินดีเขาได้ไหมโอ้โหเนี่ยแสดงความยินดีอันนี้เป็นความยินดีจริงๆเลยนะแต่ถ้าเป็นมุทิตาเทียมมันยังไม่ใหญลักษณะอย่างนี้มุทิตาเทียมก็บอกว่าที่เราไปแสดงความยินดีเพราะเรามีส่วนใน ด, ดียกตัวอย่างเช่นโอ้โหนี้เพื่อนเรา ใช่ไหมเป็นแสดงกุหมุดิตาหน่อย้อได้ข่าวก็ได้ปริญญาโทก็ไปแล้วไปถ่ายรูปร่วมหน่อยเอาดอกไม้ไปให้ที่เราไปทําอย่างนี้เพราะเป็เพื่อนเราเรามีส่วนได้ดีด้วยเรามีส่วนได้ชื่อเสียงด้วยความสําเร็จนี้เพราะเป็นเพื่อนเราสังเกตเอเรื่องแปลกๆนะบางคนเนี่ยรุ่นรุ่นเดียวกันเนี่ยเราชอบที่จะอ้างคนที่ประสบความสําเร็จว่าเป็นเพื่อนเราเนาะ แต่มีบางคนที่ไปติดโคกเนี่ยเลยมากก็าไม่ค่อยอ้างเครื่องแกะดูไหมเอ้ยที่เพื่อนรักเราเลยนะเนี่ยติดโคกเนี่ยสนิทกันมากไปไหนไปกันชอบอ้างไหมชอบไปคุยให้เพื่อนฟังไหมหรือเพื่อนที่ล้มเหลวถ้าดีนะใครมีเพื่อนเป็นขอทานทุกคนไหมมีไหมมีไหม ถ้ามีเพื่อนเป็นขอทานด้วยแล้วไม่เคยกล้าอ้างแล้วบอกนี่เพื่อนรักกันเลยเนี่ยไม่เคยขับรถไปที่ไหนก็อของไปให้อโอ้กวางไงเพื่อนรักช่วยเหลือพยานเนี่ยไม่เคยมีนะใช่ไหมเราบางทีไม่กล้าบอกใครแล้วมีเพื่อนเป็นขอทานกล้าบอกไหมจริงๆไม่เห็นจะน่าเสียหายแล้วก็บอกเนี่ยเพื่อนรักกันแต่นโยบายมันต่างกันใช่ไหมล่ะจริงๆนโยบายต่างกันไหม เออนายบายต่างกันก็เมื่อเช้าบินดาบาดก็ก็คุยกันก็บอกว่าอามาก็บอกเออเนี่ยคนบางคนเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นโรคที่แปลกมากอาหารถ้าเราจะเอาไปให้ดีดๆก็จะไม่กินนะเวลากำ ม, มันให้ผลบางคนเนี่ยเขาเขาจะไม่ยอมกินแต่ถ้าจะกินแต่ละทีเราต้องไปโยนใส่ถังขยะ เขาถึงจะไปคุยกินกับทางก็เยอะเวลากรรมให้ผลเนี่ยยอมขนาดนั้นเลยแล้วอกอโอ้เนี่ยแต่อย่าลืมนะเนี่ยเราที่ดูดูกันเหมือนจะไม่เราคงไม่ทำแน่นอนใช่ไม้มเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมเชื่อไหมถ้าอากุศลกรรมมันให้ผลเราเองเนี่ยกายจะต้องไปทำแบบนั้นโหน่ากลวัวจริงจังสารวัตรนี่น่ากลวัวแบบนี้ยในสมัยครั้งพุทธกาลก็เนี่ยเป็นตหนิ ไอ้คนกินเดนไปด่าเขาเงี้ยนะที่ไปด่าพรายะเขาให้บอกว่าไอ้เนี่ยกินอุจจาระไอ้เงี้ยไปด่าโหเพรกรรมนั้นให้ผลขึ้นมาตนเองต้องกินอย่างไรก็ไม่ได้ต้องไปหาคุยเกี่ยวอุจจารากินโอ้เรื่องกรรมนี้น่ากลัวเออฉนันมุทิตาเนี่ยจะมีการลักษณะว่ามุทิตาที่เป็นกุศลผู้ที่ประสบพบเห็นได้ลาบได้รบัรบการสนสรับสนุนได้รับความสําเร็จต่างๆนะ หรือประสบคุณความดีทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปแสดงนะแสดงน้ําใจโดยปราศจากความลิษยาลักษณะนี้เป็นมุติตาที่แท้จริงนะเป็นมุติตามุติตาที่แท้จริงเป็นไปกระสมณะที่เป็นไปกับกุศลเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จไม่ว่าคนคนนั้นจะเกี่ยวข้องกับตนเองหรือไม่เกี่ยวข้องกับตนเองก็น้อมจิตใจในการที่แสดงความยินดีกับเขาได้จริงๆและขจัดความลิษยาในใจได้ด้วยเออลักษณะของถ้าเขาได้ดีเนี่ยก็ แสดงมุทิตาส่วนอุเบกขาเนี่ยสิ่งที่ทําได้ยากที่สุดก็คือตัวนี้แหละ อ, อุเบกขาเทียมเนี่ยมันเกือด้วยบาปเป็นอวิชชาเนี่ยเป็นโมหะเป็นการเฉยเมยเพิกเฉยไม่รับผิดชอบดูเหมือนจะปล่อยวางนะต้องระวังนะตรงเนี้ใครเป็นไม่เป็นไ อ, อเฉยเมยเนี่ยเหมือนจะปล่อยวางแต่ในที่จริงไยตรงเนี้ก็คือว่าเป็นเป็นการใช้หลักธรรมะที่ผิด แต่ถ้าหากเป็นอุเบกขาแท้เนี่ยเป็นกุศลมีปัญญานะมีปัญญาทำไว้ในใจสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยสัตว์ทำกรรมเหล่าใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี้แปลว่าเข้าใจกรรมและผลของกรรมนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างเป็นเรื่องเหตุการณ์เลยนะเอาลูกมีลูกสักคนเนี่ยถ้าเรารักรักลูก ยามที่ลูกปกติเนี่ยเรารักเราเมตตาถูกไหมแต่ถ้ายามที่ลกูกประสบทุก์มีปัญหาตอนนั้นควรเจริญอะไรเจริญกรุณาเช่นลูกมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่อยๆ เ, เนี่ยควรเจริญข้อไหนกรุณาใช่ไหม แล้ววันๆเขาก็ไปขัดแย้งกับเพื่อนอยู่เรื่อยๆๆๆเงี้ยคนจเจริญอะไรต่อฮะอ้าวกลับมาเมตตาได้ไงอ่อเมตตาได้ไงอ่อตอนนั้นเขาปกติอยู่ไหมเนี่ยเขาปกติที่ไหนแล้วที่เขากําลังขัดแย้งกับเพื่อนมีแต่ปัญหากับเพื่อนไปก็เป็นเกเรเข้าไปชกต่อยกับเพื่อนตีกับเพื่อนแล้วกลับมาอยู่ เ, เรื่อยคนเจริญอะไร กรุณาไปแล้วเมื่อกี้กรุณาไปตั้งหลายครั้งแล้วก็แก้นี่ใสไม่ได้จะเจริญอะไรต่อเอออุเบกขาแบบเฉยเมยหรือแบบเฉยมองเฉยเมยหรือเฉยมองเฉยมองว่าเขาไปทํากรรมดีหรือไม่ดีทํากรรมที่ไม่ดีเขาควรได้รับโทษหรือไม่ควรเออนั่นแหละควรได้รับโทษแต่มันสมน้ําหน้าอย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่อุเบกขาไม่ใช่เป็นสมน้ําหน้าที่ไหนแล้ว ก็บอกว่าเข้ามาก็บอกลูกลูกไปทำผิดอย่างเนี้ที่ลูกจะต้องถูกตาหนิถูกตีหรือถูกสังคมเขาด่าว่าอะไรต่างๆถูกแล้วพ่อไปกรุณาลูกไม่ได้แม่ไปกรุณาลูกไม่ได้ครูไปกรุณาสิทธิ์ไม่ได้ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเมื่อทำกรรมไม่ดีมาแล้วผลของกรรมก็ถูกต้องแล้วใช่ไหม นี่ไงวางใจให้เป็นแล้วไม่โกรธไม่โกรธไม่เฉยเมยแต่มีปัญญาเข้าใจเหตุและผลก็ยังไม่โล่ใช้เป็นใช้ดีนะตัวเนี้เป็นตัวแก้ปัญหานะใช้อุเวขาเป็นถึงจะแก้ปัญหานักเรียนได้ถ้าใช้อุเวขาไม่เป็นจนะแก้ปัญหานักเรียนไม่ได้ทั้งชาติขอไปเนะียทั้งทั้งเทอมเทอมใหม่ก็มาแก้ไม่ได้อีกทุกระดับด้วยนะ เป็นครูแก้ปัญหานักเรียนไม่ได้เป็นผู้บริหารแก้ปัญหาครูไม่ได้ใช่ไหมเพราะขาดไอ้ตัวเนี้ยขาดพลวิหารเออพลวิหารต้อใชใ้ถูกจังหวะใชใ้ถูกโอกาสด้วยนะถ้าใช้ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกโอกาสเรียบร้อยเลยล้วนทั้งกระมวลเลยดิล้วนทั้งกระบวนเลยดิใช่ไม่ใช่ใชไอต้ตรงเนี้ยหน้าเจาะประเด็นด้สําย ไ, ไอ้เบื้องขาเดี๋ยวเขาใช้กันยังไง อุเบกขานี่้ยังไงนั้นอุเวขานี่ฉลาดหรือไม่ฉลาดฉลาดมากอายกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่านะลูกทําผิดก็ช่วยลูกเพราะกรุณาใช่ไหมแต่ถ้าลูกทําดีดีเด่นมากได้รับดีเด่นมุทิตามไหมแสดงความชื่นชมยินดีเอา้าลูกทําผิดอีกแล้วแล้วทําผิดบ่อยด้วยน่าเข้าน่าเข้าทําคดีใหญ่ด้วย คดีดยกตัวอย่างเช่นนักเรียนของเราก็ดี น, น่นอนก็ดีเนะนี่โอนี่คดียาเสพติดเลยนีสมมติอนะไรเนี่เล่นคดียาเสพติดแล้วนะี่ยแล้วคดีมันใหญ่ถึ่งขนาดว่าเจะทําไงดีแล้วกรรมตัวนี้ที่เขากระทาเนี่ยไปชักชวนคนอื่นทาให้คนติดยาก็เยอะเป็นคนค้ายาด้วยสมมุติอนยะ่างเนี้ยคดีจริงๆก็คือควรเข้าควรถูกลงโทษเนี่ย แต่เราเป็นผู้มีอิทธิพลน่ะมีเงินมีทองอ่ะจะเจริญพรมีหารยังไงเนี่ยเอ้าที่ใช้ข้อไหนข้อไหนจริงหรือเปล่าเจริงหรือเปล่าเดี๋ยตรงเนี้ยใช้อวยขาจรึเปล่าเอาอะไรที่วัดใจกันแล้วแต่เนี้ยเราจะตั้งอยู่ในธรรมหรือจะหลุดในธรรมมากเลยตรงนี้แหละจะเสียหลักการหรือไม่เสียหลักการก็ในตรงนี้แหละเสียไม่เสีย เสียไม่เสียเราบอกว่าเขาไงลูกเอยลูกทำกรรมที่หนักเกินไปจริงๆแม่รักลูกพ่อรักลูกสิทธ์เอยเธอทำกรรมที่หนักจริงๆครูลักรักเธอมากๆนะเนี่ยแต่เจริญเมตตาไม่ได้เจริญกรุณาก็จะผิดหลักการอีก มุทิตาก็ไม่ควรทำวาระนี้ครูต้องเจริญอุเบกขาให้เธอได้รับผลของการกระทำไม่ใช่คนอื่นทำให้เธอแต่การกระทำของเธอต้องเธอต้องรับกรรมคือการกระทำนะั้นจริงๆขอให้เธออดทนนะอดทนและก็วิจัยพิจารณายอมรับผลของการกระทำด้วยปัญญาตั้งจิตสำนึก ต่อไปจะได้ไม่ไม่ทำใช่ไหมกล้าไหมถ้าเป็นลูกกลับมาจะมานั่งร้องไห้ไหมเมตตาร้องหรือไม่ร้องกรุณาร้องหรือไม่ร้องมุทิตาร้องไห้หรือไม่ร้องอุเบขาร้องไห้หรือไม่ร้องไม่ร้องจิตใจวางเฉย ด้วยญาติปัญญาเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทำนั้นอ้าวนี่ก็พอจะเข้าใจในเรื่องของภมวิหารธรรมพอเป็นหลักการปฏิบัติได้บ้างพอสมควรนะเนี่ยตอนบ่ายก็มาสรุปประเด็นกันในการที่จะที่จัดอบรมมาทั้งหมดเนาะตอนบ่ายก็ใช้เวลากันไม่นาน แป๊บเดียวก็ต่างคนต่างไปพระก็มีธุระพวกเราก็มีธุร <c oughs> ะใช่ั้มมันชื่นใจตรงที่ได้จากนี่แหละเอามาก็ชื่นใจ <c oughs> ชื่นใจไปแล้วชื่นใจทุกคนอะไรนะทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ต้องทำต้องพูดน่ารักน่าชมสังคมมนุษย์ ถ้าทำถ้าพูดกันด้วยเมตตาจริงไหมจริงเออเนี่ยสาธุสิเออเอา